วันนเรื่องนี้เล่าง่ายๆนะวันนี้วิปัสสนาญาณล้วนก็อขอพูดรื่องต้นสักก่อนต้นจริงๆในการเจริญพระกรรมฐานก็ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะภาวนาว่ายังไงก็ตามโบราณอาจารย์นั่นสอนให้ใช้วิปาาาัสสนาญาณเบื้องต้นก่อนดูไตรลักษณ์ญาณได้แก่นิจังทุกขังอนัตตา อะไรเปล่าใครมีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงยังไหมเทียงไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงถ้าฉันต้นใบว่าไม่ได้นะโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงคนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุก็ไม่เที่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราไม่เที่ยงถ้าบ้านเป็นไงก็ช่างเลยนะ การที่ตัวเราเป็นสกายเยติกีเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วแก่ไปทุกวันมันมีความเปลี่ยนแปลงมนในระหว่างกลางมันมีการป่วยไข้ไม่สบายมีความตัดสนาไม่ค่อยสมหวังมีการพัดพลาดจากเขารักเขาทอบใจทั้งหมดนี้ที่มันไม่เที่ยงมเมื่อเคยกลายเป็นทุกข์พอเราคิดว่ามันเที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ทุกข์ในที่สุดร่างกายเราก็เบียดนาบตาคือตายในที่สุด คิดนี้ก่อนนะเอาเบาๆเอาแบบเบาๆกันแล้วก็คิดว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์อย่างนี้เป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่เพราะว่าอยู่ไม่นานเมื่อหมดจิตวิสนาบา ร, รมีเราก็จะเกิดเป็นทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการไม่ต้องการเป็นมนุษย์ไม่ต้องกาเป็นเทวดาหรือพรหมเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาเจ้าอัจฉริยะใส คือคำภาวนาในตอนต้นเนี่ยเขาไม่จํากัดกันใครจะสอนว่ายัางไงก็ได้หัวทรงมาแล้วสายทรงยาวในตอนต้นเน่ยเขาไม่จํากัดกันแต่ว่าถ้าปฏิบัติตามลาดับเนะีถึงตอนกลางต้องเปลี่ยนคำภาวนาตามกองเพราะกพระฐานจริงๆมีสี่สิบกอง จะว่าไม่มีความจําเป็นมากนักเพราะว่ากองใดตรงเหมือนก็ตามที่พระเจ้าทรงตรัสถึงนิพพานทั้งหมดแม้แต่นาปาข้อเดียวก็ไปนิพพานได้ออย่าลืมนะนาปาที่ไม่ได้นะคําว่านาปาคือลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้ารู้ลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นแค่นี้จะเป็นกรรมถา่ายองค์ที่หนึ่ง แต่พราะอย่างยิ่งกรรมฐานก่องนี้ทิ้งไม่ได้แม้แต่พระเจ้าเองก็ไม่ทรงทิ้งเพราะอะไรไหมเพราะเป็นกรรมฐานรงัดทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนามีามกับร่างกายของเราเรารู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตเริ่มเข้าสู่อุปจารสมาธิทุกขเวทนาจะลดไปประมาณห้เซ์ท่านนี้ความยิงทุกขเวทนามันไม่ลดจิตมันห่างจากประสาท พอจิตข้าวทังชาญจะไม่มีความรู้สึกทุกขเวทนาเลยมันถอยไปนะก็เป็นเพราะคำภาวนาที่ภาวนาว่าอย่างไรก็ได้ถ้าญาโยมนั่นหลายที่ไม่เคยภาวนามา่ก่อนใช้คำภานาว่าพุทโธใช้ใจเข้าลึกว่าพุทธใจออกนม่ว่าโธการจริยรสมาานก็ต้องรู้อารมณ์ของการทาน การจรียกรรมฐานเบื้องต้นทีาเรียกว่านิกาสมาธิคือสมา ธ, มาธิเล็กน้อยก็มีญาติโยมหลายคนเคยไปบ่นว่าจิตไม่สามารถจะทรงตัวได้พาวนาไปพาวนาไปเดี๋ยวไปท่องเที่ยวไปที่อื่นอันนี้มันเป็นของธรรมดาเสียเป็นไหมนี่ไม่ดีบินบินอย่างนี้ทนนะี่อนเลยไหมบินไปบังกาดนซึ่งคนเลี้ยงควา ย, อ, ยาอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดากลุกิต เพราะจิตเราคบตอดีวานคือความผู้สั้นมาไหลอสงไขยกลับเราจะจะบังวังคับมันช่วขณะเดียวให้มันอยู่ตามใจตามชอบนี่ไม่ได้ในเมื่อภาวนามันไม่อยู่มาที่เรื่องอื่นพราะตคิดไปพอรู้สึกตัวมาก็เริ่มจับลงให้ใจเขาออกใหม่เขาวนากันใหม่เมื่อการบังคับจิตมีสองแบบที่พระเจ้าทรงจัดเราบังคับจิตให้ทรงตัวถ้าบังเอิญมันทรงตัวไม่ได้ จิตของรามันมีสภาพอยู่สองอย่างบางวันต้องการหยุดต้องการสรงตัวนิ่งบางวันมันต้องการคิดถ้าวันไหนมันต้องการคิดอันนี้บังคับไม่ได้แล้วถ้าคือบังคับ ก, กลุ่มนิพูสยารอกว่าให้ทาจิตเหมือนกับ ก, การฝึกม้าตัวพยศถ้าเราบังคับมันไม่อยู่ก็ปล่อยมันคิดไปเลยมันอยากจะคิดอะไรคิดไปได้สติเขาคุมไว แตใช้เวลาอย่างนานไม่เกินส5้านาทีไม่จะหยุดถ้าหยุดทีหลังก็กลับกลับปพลังใจก็ออกกับภาวนา น, นี้อารมณ์จะด่งเป็นชาดันทีถ้ารู้จักฝึกจะไม่ตุ่มนะต้ออะไรไหคนพูดเคยมาแล้วไอ้ที่พูดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนก็ผ่านมาทุกอย่างอา๋อถยังไม่ได้ผ่านอย่างเดียวเือยังไม่เคยเป็นนักบิน ยังไม่เคยตั้งสารสองสารใหฝันก็เป็นว่าการฟังขับจิตโยมใหญ่คิดว่าจิตของเราจะไม่มีการพุ่งสร้างท่านที่จิตจะไม่พุ่งสร้างจริงๆมีท่านเดียวคืออรหันต์อราตผลนะอรตม ก, ก็ยังมีอยู่ลยอยนาคามีขึ้นไปมีอรตมักยังพุ่งสร้างอยู่แต่การพุ่งสร้างว่าธรรมะไม่เหมือนกับเรา พอเราอาจจะด้านน้อมมันจะไอกุศลแต่พรท่านมีกุศลอย่างเดียวเพราตั้งแต่ว่าโซดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตฟุงสร้านยังมีกโสดาสิทาคานาคารัทมัทยังมีการฟุ้งร้านก็แค่ฟุ้งไปในด้ากุศลอย่างเดียวไม่ไม่น้อมไปทางด้านอกุศลถึงไงว่าตังก็ถือว่มีการฟุ้งยังมีการคิดทั้งคำบรรดาญาติโยมพระทบิษฐ์ทุกศาสนาทุกข์ของเรา ถ้าเราเพียงเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้เวลาสามสิบนาทีจิตของเราหยุดจริงๆห้านาทีรงมาแล้วนะไปมั่งอยู่มั่งไปมั่งอยู่มั่งรวมห้านาทีสริเวเก่งมากท่านอันดับแรกนะแต่ว่าถ้าพอจิตเข้าถึงฌานพอจิตเข้าถึงฌานก็อย่าลืมว่าอยาทรงฌานได้นานการทรงฌานถ้าไม่ฝึกการทรงฌานก็จะอยู่ไม่ได้นาน เข้าถึงฌานประเดี๋ยวเดียวต่อสองสานาทีมันก็ตกอย่างมากตอนนี้ที่เราทรงฌานได้เป็นชั่วโมงท่านทำยังไงท่านต้องฝึกเวลากันตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะตั้งไว้น้อยๆอยอย่างเราจะให้เวลาตั้งนาฬิกาอันดับแรกไม่เกินสองนาทีเราจะคุมลมหายใจเขาออกเข้าคำนาให้ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์นั้นถ้าเราเอินไม่ถึงสองนาทีมันไปก่อนเริ่มต้นใหม่ เราใช้วิธีง่ายๆเอาแบบง่ายดีสุดนะ <My God. S 1> ฉันว่าง่ายน่ะ <c oughs> แต่ก่อนจริงก็ฝึกมาตอนตอนตอน้นเหมือนกันนะคำ <c oughs> ง่ายก็คือว่านับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นห่งหายใจเข้าหาออกนับเป็นสองภาวนาไปด้วยก็ได้อย่างพุโทโธนับเป็นหนึ่งพุทโธนับเป็นสองพุโทโธนับเป็นสามถึงสิบ เราคิดว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเราจะไม่ยอมให้จิตคิดอย่างอื่นใจทรงอีูตามนั้นถ้าบอร์เอิร์นมาหนึ่งไม่ยังไม่ถึงสิบอย่างอื่นเข้ามาแทรกเริ่มต้นใหม่ให้มันเสร็จอย่างนี้ไม่นานเพีงแค่เวลาใช้เวลาประมาณทักสองเดือนทักสี่ห้าร้อนยัไม่ไปไหนเลยนี่เป็นการฝึกก า, านะการทรงฌานนะการทรงฌานให้นายนนเขาต้องฝึกกันแบบนี้ เรสมัยโบราณบางทีท่านใช้อสตังติดเทียนจิดน้อยๆภาวนาไปภาวนาไปถ้าเทียนถ้าตังหล่นตึงตังไันขานใช่ไหมถือว่าจิตไม่ไม่ ไ, มไมุ้งไปพุ้งไปอย่างอื่นทีอว่าใช้ได้ถ้าบังเอิญจิตฟุ้งไปก่อนท่านอย่าลืมตามมาขยับสตังใหม่ความไฟมันใกล้เสียแล้วใช่ไหมตั้งต้นกันใหม่ใช้วิธีนับหนึ่งถึงสิดีกว่าถ้านับหนึ่ถึงสิบ จิตมันเครียดเต็มทีแล้วก็เลิกทำเออนึงถึงสิบจิตสบายต่อไปอีกสิบถ้าต่อหลังสิบหลังถ้าบังเอิญมันมันเคลื่อนที่มันมันมันไหวมันไหวมากมันโซโตมีอยู่ก็เลิกเราถือว่าหนึ่งถึงสิบเราได้แล้วถ้าอย่างนี้บรรดาท่านผู้บริษัทไม่เกินสามเดือนท่านสามารถจะโซนชานได้เป็นชั่โมงท่าอย่างเลยนะพีโซนชานนะ เขาบว่าสมมติเราได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดานถึงแปดไหนี่เขาถึงแปดจริงๆนะรูปฌานสีรูปฌานสีะนะจ๊ะแต่ความจริงรูปรชายก็คือฌานสีนั่นเองแต่ใช้อรูปรูปฌานไหมความวาเราภาวนาฌานธรรมดาที่เราฝึกก ร, รเวลาเนี้เป็นรูปฌาน ถ้าฝึกอรูปฌานเรื่องฌานสีได้แล้วต่อไปถ้าเราจะฝึกอรูปฌานก็ใช้กรสินกองใดกองหนึ่งตั้งขึ้นจับภาพกรสินนี้เป็นฌานสีในเบื้องฌานสี่ส่งตัวแล้วก็เพิ่มกรสินคำว่าเพิ่มหมายว่าให้ใหใหใหอธิษฐานให้กรสินหายไปจับอากาศแทนที่เรียก ว, ว, ว่าอากาศสามัญญาณยานะแต่พูด เ, เรื่องนี้ผููทำไม่รู้เรื่องขึ้นชั้นแปด อก า, า, าการฝนะั น, า น, านจา่ายชนะวิญญาณัญจายชนะนจิตวิญญาจะนะเหนสัญญาณหาสัญญาจะนะถ้าเราได้อรุปปชาณีสี่ก็เป็นแปดเรียกสมาบัตแปดใช่ไหมพวกสมาบัตแปดเนี่ยที่บรรลุอรหันต์เป็นไปสมิธา ย, ยานถ้าไม่ถึงสมาบัตแปดเป็นไปสมิธายานไม่ได้วจํากัด สรุปควาว่าอารมณ์ชัยก็ไม่พูดกันนี้พูดแกล้งแค่แคําต้นให้เข้าใจวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องโค้ชส่วนตัวเจ้ส่ตัวก็มีว่าวันนี้สตังไม่พอใจทายัางไงจ่ายไปไหนหาทุนไปนิพพานเมื่อคืนนี่แค่ทิ้งพมใช่ไหมไปนิพพานไม่ได้ต้อง ก, กลับมาหาทุนใหม่พระเจ้าสมัดเรากลับไปใหม่ เรืเ่องศาสนาญาณเธออ่อนเกินไปนะถ้วกลับลงมาก็ลาพุทธภูมิแล้วเมื่อลาพุทธภูมิก็บอกว่าลาได้แต่ว่าต้องทํากิจพุทธภูมิไว้ก่อนยินกว่าจะตายนี่ที่มาสอนกรรมฐานนีนกิพุทธภูมินะม่ใชสายพกกุภูมิสายพรทธภูมิไม่มีความจําเป็นต้องเลยขนาดนี้บรรลุแล้วก็แล้วกันไปได้แล้วก็แล้วกันไปอ น, นี้เป็นกิจพุทธภูมิไม่เหนื่ยเฉพาะที่นี่นะ ที่ว่าก็เหนื่ยที่อืก็เหนื่อ ย, ออยมันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยจนเบื่อเบื่อก็ตายไม่ลงไอ้ตายไม่ลงไม่ใช่อะไรไม่อยากตายถึงไม่อยากตายมันก็ไม่ตายอย่างทําไมเห็นไหมยังไม่ถึงเวลาตายทางไงมันก็ไม่ตายถ้าถึงเวลาตายเราอยากอยู่ขนาดไหน ม, มันก็ตายถ้าลงความก็เลยไม่อยากคนดี ก, กว่าใช่อะไรใช่สังขารโลกเตข้ายาน การวางเสริมในร่างกายท่นเรียกมาพูดกันนะว่าการเรียนมีพัฒนาญายข้าพุทธเจ้าโดยตรงเวลาพุะตัพพูดแล้วอันดับต้นถามแล้วบอกว่าเวลานี้จิตเทียบอะไรพุะตัพพูดไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เนี่จะเป็นอริะเมื่อตอนบรรลุปิเษศสมาธโพธิญาณเป็นชาลโลกีสมบอกว่าถ้าจะเที่ยวประเทศสัตาร์ขับตรง นี่เทียบประสดาบันขั้นอ่อนถามแล้วบอกว่าถ้าหากว่าประสาวตภูมิต่อไปอีกกี่ปีหรกี่ชาติจึงจะบรรลุมรรคผลที่เรียกต็นที่เจมตราท่านบอกว่าถ้าเธอตายขณะ น, นี้ก็เกิด อ, อีกเจชาติเต็มถ้าเธอมีอายุถึงหกสปีก็เต็มชาตินี้ถามว่าเต็มชาตินี้จะเป็นพระเจ้าองค์ที่เท่าไหร่ เขาบอกาพระสิอาอนไม่นับต่อจากพระสิอ่อนไปเป็นองค์ที่ยี่สิบสองเป็นนั่งยิงง้มแหย่ท่านดุสิตโอ้โหยี่สิบสองนี่กี่กี่ร้อยกับกี่สายกับก็ไม่รู้กับทุกกลับไม่ได้มีพระพุทธเจ้าทุกลับใช่ไนะบางกลับก็มีพระพุทธเจ้าบางกลับก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไป็นั่งอยู่ที่นั่นแหนะละก็เราขอลาพุทธภูมิท่านก็นยอม ได้ทำกิจพุทธุมต่อไปท่านว่านับตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงเวลาสี่ทุ่มฉันจะมาสอนเธอเธอจงเลิกรับแขกเวลาสามทุ่มครึ่งฉันก็บอกแขกให้กลับแากบางคนก็บอกย่ามีตัรัอยู่บอกอย่ามีตัวรักเไว้เรื่องของแกเรืองพักเรื่องของฉันแเรวก็เข้าบทติเพอเรื่องของเราไปแล้ถึงเวลาสี่ทุ่มท่านมาแสงสว่าง ว่ากันว่าไฟไหลายแสนแรงเทียงสวยจริงๆมีชาันราวศีลศีลอุปการณ์่ไหมลุกขึ้นกราบท่านท่านบอกนอนเธอเหนเลยมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ไปตรงหน้านอนค่อยๆฟังเสียงท่านพูดให้คิดตามท่านสอนอายุศัสตร์คือสอนตัวเดียวคือทุกสัตว์สอนทุกสัตว์จนหนึ่งเดือนแต่ความยังๆๆๆดูยงเดินนียไม่สอนยาวนะสอนสั้น ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนอย่านั้นแหละถ้าเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ถ้ามีความรู้สึกอันดับแรก ก, แก็ไม่อยากจะพูดกับญาติโยมเพราะญาติโยมไม่ต้องไปฟันป่ากินข้าวคําเดียวนี่กว่าจะจบเป็นหลายคืนทุกข์ทานย้อนไปถึงที่ที่เป็นป่าต้องฟันต้นไม้ต้องขุดตอไม้รากไม้ไปทิ้งกลับพื้นที่ทําเป็นนานไหมกว่าจะไปได้ไม่ข้ามมาตรละคา ตอนน้าพูดก็ายากยอมพูดบริษัทก็มีเวลาน้อยก็ไม่จําเป็นจะพูดแบบนั้นพูดเอาคาสั้นๆตอนปลายที่นี่บอกว่าคําว่าทุกข์มันมาจากไหนถ้าเราอ่านตนังสือบอกทุกข์มาจากสมุทยัยไม่ใช่สมุทเจตทำเขาเขแล้ ว, วสมุทยัยสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หให้เกิดทุกข์มันมคืออะไร อย่างเราอยากจะได้เงินก็ามาจากโลภความโลภใช่ั้ยอยากจะเทวดาช่วยขายเทศก็ามาจากความโลภไอ้นี่มันตกปลายท่านบอกมันตกปลายตัวเติมจริงๆคือตัวเกิดถ้าเราไม่มีร่างกายมาเกิดอย่างนี้ ถ้าเราไปนิพพานเสร็จแล้วความทุกข์ต่างๆมันก็ไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความเกรดก็ไม่มีความโกรธกไม่มีนะความหลงก็ไม่มีไม่อยู่ที่ร่างกายตัวเดียวท่นเ้นทุกข์ร่างกายมีอะไรบ้างทุกประจําครึ่งหนึ่งความหิ ว, วขึ้นมาเช้าก็มีความหิวต้องหาอาหารกินอาหารแต่ละชิดแต่ละคําที่เราจะกินก็ไปได้มนจากความเลยยากใช่ไหมเนีย่ยพวกนี้เงินเดือนเนี่ย ันมันต้องเดือนถูกด่าบ้างถูกว่าบ้างถูกเัินท้าบ้างเหนื่อยบ้างโอ้เดือนเดือนได้ตังข่าวเดียวดีไม่ดีใช้ไม่ถึงเดือนแต่ตังระยำให้เราทางจ ด, ดตายมันมนีไปยังไงหพอจิตภาวันหมดแล้วเป็นันว่ากว่าจะกินข้าวแต่กะคำก็ต้องใช้ความเหนื่อยอยากไป็นทุกไอ้ตัวเหนื่อยนะี่คือตัวทุกข์ ทุกข์ป็นประจำการป่วยอุจาระปัสสาวะมีทุกวันนั่นก็คือตัวทุกข์าการป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดกับเราก็เป็นตัวทุกข์นี่ความปรารถนาที่ไม่ค่อยจะสมหวังมันก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็ไม่ทุกข์ความแก่เกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์กายเคลื่อนไหวทั้งร่างกายไม่คล่องตัวน่นทุกข์มากพราเวลาเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเปสาวทีการเคลื่อนไหวคล่งตัว เขาก็ไม่ฟ่าตาก็ไม่ฟางใช่ไหมร่างกายก็มีกําลังก็แก่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกหมดมันทําเองไม่ไหวก็องคน อ, ดอดื่นมันก็มาทุกขทั้งกายและใจวางให้เขาทําเขาทําให้วลูกน้อยในที่ท่าใจใจก็ไม่สบายจะทําทเองแล้วก็ทำไม่ไหวให้มันตัวทุกข์ในที่สุดความรักคนรักวัตถุที่เรารักสัตว์ที่เรารักพัดผ้าจไฟเราก็มีความทุกข์ เมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันก็มีความทุกข์แล้วท่านกถามว่าคนที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยก็มีความสุขหรืมีความทุกข์บางคนบ้างทอนท้ายรถเก็ไปบ้างเดินไปบ้างนั่งรถจนไปบ้า ง, ง, ไ, างไอ้ที่เขาไปเขาออกจากบ้านไปเขามีความสุขหรืมีความทุกข์ก็ต้องตอบว่าท่าว่าเขามีความทุกข์ถ้าท่านเขาไม่มีความทุกข์เขาไม่ไปไหนจะไปทําไม ตอนเช้าหลายๆคนไปตลาดที่พ่ตลาดเพราะความทุกข์ทุกข์ไม่ขวัญก็ไม่ไฟไม่มีกินกับข้าวไม่มีกินเนี่ในตัวทุกข์แต่เราทํำจนชิมยังไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ใช่ไหจริมๆแล้วมันทุกข์มันได้กับข้าวมาแล้วต้องปรุงกับข้าวก็ทุกข์เหนื่อยพูุงเสร็จไม่กินแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกปากทุกข์อีกไอ้เราก็ถูกใจเราเราปรุงแต่ไอ้คนกินคนอื่นมันบ่นว่าไม่อร่อย เราทุกไอตัวกุ้งก็คือตัวทุก์ก็รูงความว่าการเกิดเกิดความทุกข์ที่มีขึ้นเพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุถ้าเราไม่เกิดความหิวมันก็ไม่มีการบริจาคปัสวะก็ไม่มีหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ไม่มีให้การป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีการพับพราเจ้าของรักของชอบใจก็ไม่มีความตายก็ไม่มีถ้าเราไม่มีร่างกาย พระเจ้าทรงตัดว่าให้คิดอย่างนี้ไ้เสมอมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเต็มไปด้ความทุกข์เป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่แกล้งว่าทุกข์นะต้องรู้ว่าเขาทุกข์จริงๆคนที่เป็นโสก็ทุกข์อยากจะมีคู่ใช่ไหมคนที่มีคู่ก็ไปทุกข์เพาคู่ครองบังคับไปไหนได้ยากใช่ไ <c oughs> <c oughs> พอที่มีคู่ครางแล้วก็อยากจะมีลูกต่อไปไม่มีลูกก็เป็นทุกข์พอมีลูกก็เปานรักลูกเดือกก็เป็นทุกข์ที่ปาฐาสู้พระไม่ได้พระสบายใจกว่านะก็มองความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่ไม่ที่ไม่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดผลที่จะพึงได้รับจากโลกมีแต่ความทุกข์ทุกอย่าง เราไม่มีเงินเราก็เป็นทุกข์เพเงินไม่มีถ้ามีเงินมากๆ ก, ก็เป็นทุกข์ก็จนจะปล้นนะฮะเอออ่อนใจตังค์ไปไหว้พระดีกว่าโดลบุญที่ได้ไปที่พานนะนี่เป็นธรรท่านสอนตัวเดียวคือตัวทุกข์ทุกวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาท่าหลับตาให้รู้จักคําว่าทุกข์เห่เห่นี่บ้านคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ ไอ้สิ่งที่เขาบอกว่านสุขมันสุขไม่จริงไม่มีอะไรสุขจริงพอรู้สึกของที่เราไม่เคยจะมีเขามีที่มันได้อยากได้ใช่ไหมเพรอยากได้มาแล้วเราก็เริ่มทุกข์ตัวของจะหายก็วขอจะเก่าพัขอจะเสียใชม่มันก็ทุกข์อีกทุกข์ก็ทัท้งแต่จึงก็จึงมีมองเห็ว่าทุกข์ตอนนี้ทำยังไงแทนก็เลยใช้วิธีใหม่เห็นมองจริงๆแล้วมันก็ได้แต่นึกว่าเขาทุกข์ เริม่มวิธีการเอาทุกข์ก็จริงๆว่าคนชาวบ้านเนี่ยเขาทุกขจริงหรือไม่จริงเพรเป็นหมอดูถ้าอนาคตาางสญานด้วยอธิต่างสัญญาณด้วยสองอย่างรวมกันแคท่กุยานด้วยชาได้สองอย่างเริ่มเป็นหมอดูแล้วทุกมาทุกวัน <c oughs> โอ้ที่แต่งตัวสวยๆทั้งหญิงผู้ชายมารับราคาดีๆอย่าง น, นี้เบ้นเล่นเลยนะราคาแพทุกทั้งหมดไม่มีใครเป็นสุข มันระบายความทุกข์กันทุกค น, คนแล้วก็หน่าไม่เกินไอเราคนเดียวนี่เราก็ทุกข์นะไอเขาหลายคนนี่เขาก็ทุกข์ไอเราคนเดียวนี่ก็จริงเราไม่มีรถประจำตัวแต่เรามีรถหลายยี่ห้อวันหนึ่งเราขี่หลายยี่ห้อไอ้นั่นมียี่ห้อเดียวเห็นไหอย่างเกง่งมีสองคันสองยี่ห้อเห็นไหมเราไม่มีรถแต่เราไปนั่งในทุกยี่ห้อ <c oughs> เรานั่งแล้วก็ไม่มีความทุกข์มันเสียก็เสียไปแล้วมันเสียคันนี้เสียแล้วไปคันอื่นไม่ต้องไปแก้มัน เนี่ก็ไอคนที่ไม่มีรถเนี่ยมาคุยนี้เออคุยคุยอย่าคนไม่มีรถนะ <c ười> ก็รวมกามว่าถ้าเริ่มเป็นหมอดูทุกคนก็มาระบายความทุกข์ก็เลยเข้าใจความเป็นจริง <c ười> ต่อมากันคืนท่าเราสอยกลาวันเราก็เป็นหมอดู <c ười> หาตัวทุกคนได้ทุกคนก็มาเป็นทุกเฮ้ยมาวันหนึ่งนี <c> ่ <ười> ขอเรื่องคาร่ากรณีพิเศษนะ ประมาณนักสาโมงเช้าเห็เนเด็กนักเรียนผู้หญิงสองคนวิ่งก็วิ่งก็คืหอบมาวิ่งวิ่งอย่างเร็วออพอมาถึงก็ขึ้นรถติดเรื่อยๆผก็วิ่งมานี่นึกว่าตรงมีอะไรเป็นพิเศษแล้วเวลานี้เป็นเวลาเข้าเรียนแล้วใช่ไหมก็นึกว่าไอ้หนูสองคนนี่มันมาทําไมก็รู้ความรู้สึกว่าไอ้แก่สองคนเนี่ยมีคนเงินจะนวนนนเงินหายเงินค่าเธอมหายพอแกขึ้นรถติพอขึ้นบนไดาไก่หนู เัินหายได้ไงเล่าเมื่อหน้ลงกลับเจ้าฆ่าเราให้เลยทำางินฆ่าดเถอแล้วบอกใช่ไอ้หนูรีบกลับไปนะตอตนเขาวางเขาวิ ว, วางไว้ข้างบันไดขั้นขั้ น, นบนเอาก็เบื้อปิดไว้รีบไปเดี๋ยวไม่าะไปที่อื่นแค่มันก็รีบวิ่งกลับไปไล่กัต่างตอนที่ทำาันไดงานเราได้แล้วเห็นไหมนั้นมันทุกขนาดวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปทางครึ่งกิโลกว่าแไม่ใช่เรื่องเล็กนะวิ่งไป ว, วิ่งมาเลยเกินหนึ่งกิโลวิ่งไร มนะนะีน่าสุขก็ทุกข์ทุกข์นะนั่งแกทุกข์ถึงขั้นร้องไห้ทั่นเด็กแล้วผู้ใหญ่ก็ทุกข์มีกินบ้างไม่มีกินบ้างดีไม่ดีคนที่ร่ารวยก็มีทุกข์เพราะอะไรไหมให้เงินเขากู้ไปแล้วเขาไมยอมชนะะดอกเบี้ยก็ไม่ให้เติมไม่ให้ไปทวงเก้าเข้ามามันชวนทะเลาดกันพูดจะไม่ได้ทวงไม่ได้เลยเป็ทุกอีก ก็ร้อความว่าท่านสอนความทุกอย่างนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขค่อยๆคิดค่อยๆคิดว่าเป็นทุกข์ยืนหนึ่งเดือนหลังจากนั้นท่านบอกว่าตอนนี้ไปฉันจะไม่มาสามเดือนในระหว่างสามเดือนที่ฉันไม่มานี่ถ้าได้เห็ว่าจุใจมุมใดมุมหนึ่งของโลกเป็นสุขฉันจะไม่สอนตลอดชีวิต เมื่อเขาย้อนไปย้อนมาตั้งหนึ่งเดือนเนี่ยตั้งเดหนึ่งตั้งเดสี่ทุ่มหนึ่งตีสองนทุกคืนเสยหนาะจะเวลาจะกลับก็ไม่ลำบากจะหลับไม่ลำบากพอท่านจะกลับก็บอกตอนที่ไปเธอหลับก็หลับทันทีถ้าว่าเป็นเช้าถึงเวลาก็ตืน่นก็ไม่เปลี่ยนเมื่อท่านไปแล้วท่านบอกจะจะไปสามเดือนใยความจริงท่านไปไม่ถึงสามเดือนประมาณเดือนครึ่งท่านก็กลับ เราว่าขึ้นที่ว่าผลที่จะทุนได้ไม่มีใครสามารถพยากรเวลาได้แน่นอนเพราะแต่คนนี้เอาจริงหรือไม่เอาจริงเนี่ยเราเห็นทุกหมดแล้วนะอขาเี้กทุกว่าการเห็นทุกข์จิตใจวุ่นวายไหมการรู้ทุกข์ในบรรดาญาติโยมคุณบริสัทธ์ใจต้องไม่วุ่นวายใช่ไหมนาทุกข์ไม่จิตใจเศร้าเห็นว่าทุกข์มันมีในโลกจริงทุกคนเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ทุกเหมือนกัน แลเราไม่ยอมจะมาทุกข์ใหม่ต่อไปเบื้องหน้าถ้าตายแล้วจะไม่กลับมาเป็นทุกข์อีกนั่นคือเราต้องการนิพพานถ้าหากว่าความทุกข์เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกทั้งหมดให้ยอมรับก็บถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดกับเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาไม่ใช่กับเราคนเดียวคนอื่นเขาก็เป็นอยา่างพวกที่ทํางานเนี่ยเคยถูกโกิจฉาได้เสียมีไหมเรียบร้อย ร้อยยี่สิเปอร์เซนต์ใช่ไหมไอ้มาบนไปที่ไหนที่ไม่มีการจายเฉียดกันมันไม่มีอันนี้มันเป็นธรรมดาของชาวโลกนั่นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาถือว่าเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนี้เพราะเราอยากโง่อย่ามาเกิด ก, ก็ของโง่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่โง่แล้วไม่มาอีกแล้วใช่ไหมสร้างใจปฏิพานธ์นี่เวลามาเหลือทสองนาทีปฏิพานธ์ทันหรือไม่ทัน ทา ง, งจะสส <apl> ไปน <Believe. S 1> ิพพานได้บรรดาญาติโยมผู้เคยสัมผัสหลายหลายคนอาจจะคิดว่าคนอย่างเราน่ยรือจะไปนิพพานได้ความชั่วยังมีอยู่เยอะหนึ่งความรักระหว่างเพศยังมีผัวยังมีเมียยังมีลูกมีเต้ายัมีงานมีการยังอยากได้ทรัพย์สินกันน่งใช่ไหมความจริงมันไม่สําคัญเธอว่าดนิดเลยกระไวมากกว่าพระใครจิตตั้งไว้เพื่อนิพพานทุกวัน ที่เรีว่าอุปสมารุติกรรมฐ า, านนะมีพัฒนิพ่านเป็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายเมื่อไรเพราไปนิพพานเหมือ น, นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มาลองยุทธิ์นี้ได้กำไรมากก่อนจะรับเอาใจปในิพพานก่อนทั้งสองนาทีก็ได้คือไม่ใหม่จิตใจพุวกนิพพานก่อนทั้งสองนาทีก็พออย่างนี้เป็นประจำถ้าคิดว่าร่างกายจะไม่เป็นความทุกข์ร่างกายที่ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกไว้องไป่คิดถึงคนอื่น คิดทึตัวเราองว่าตัวเราเองที่มันไม่มีไม่ดีไม่ดีตรงไหนบ้างร่างกายทุกส่วนมันไม่ดีหมดใช่ไหมมีผมก็ต้องหวีทุกวันถ้าผมมันไม่ดีเพราะไม่สงสารไม่สงสารถ้าผมมันดีนะนี่ลองไม่สารไม่สารเจ็ดวันดิกะหรีแพ้ใมดูผมก็ไม่ใป็เรื่องมือหนังก็ไม่เป็นเรื่องถ้าไม่ฉาสอสานาสอสานมันไปรเดี๋ยวก็ส่งตรง ว่าทุกโศนร่า ง, งกายนอกจากจะไม่ดีแล้วจะเสื่อมทุกวันในที่สุดมันต้องตายมีแต่ความทุกข์ซึ่งที่ว่าร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกคิดอย่างเนี้แต่วั น, นาทีสองนี้ก็พอแใ่ดีก็ตื่นใหม่ๆตื่นใหม่ๆที่ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ถ้าตายวันนี้ขอไปนิพพานร่างกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ต้องการมอีกเอาแค่นี้พอเพียงเท่านี้ท่านคิดทุกวันวันละหนึ่งนาที ถ้าอยู่ไปถึงหนึ่งเดือนมันสามสิบนาทีนะเข้าแก่นะอยู่หน้่งปีกี่นาทีสามรอกสิห้านาทีใช่ไหมเกี่ยวคิดไม่ออกแล้ว็ <c oughs> <c oughs> ยังรู้ว่าการสะสมตัวมันมีมากแม้ว่าทุกคนจะตาเข้ามาจริงๆเราก็ต้องไปคิดตัดกันสังคันนะ่ะไม่ต้องไปคิดตัดมันมันตัดเขาเอง ในเมื่อทุกกระบวนการเขามองแทบปวมากอารมณ์จิตมันจะตัดเองเป็นสังขารไปรข้ายันเองอาศัยที่รวมตัวทีละน้อยละน้อยเยถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงเขาต้องขอตอบว่ารู้ได้เพราะประสบมาแล้วนะพบกันแล้วหลายวาระที่มันจะตายร่างกายมันป่วยจริงจรมันจะตายจิตมันเฉยหมดมันไม่ตสงการทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นห่วงหมดจิตอารมณ์มันสบายสบายจิตจิตสบายนะมันเฉยแบบสบายสบาย ยันนั้นทะเลาสังขารลุกเป็นข้ายานถ้าตายเมื่อไรก็ปนิพายเมื่อ น, นั้นกาบอกข้ายามนมาดอกดเวลาสามสิบีและสองเครื่องนะตอนที้ใจขมดาในพุทธวยสัยไหลก็ตั้งใจสมาทานสินนิมาทานมรรคมาัาน